ในสมองในในจิตในจิตคนในความรู้สึกในชีวิตเรามันจะเกิดความเิื่อยละฉลาดขึ้นมาสมัยอาตมาปฏิบัติพยายามจะถามปัญหากับครูบาอาจารย์ถามไปท่านก็ไม่ได้ตอบคือไม่ไม่มีคําอธิบายมากอาตมาจึงถามปัญหากับจิตของตัวเองแล้วตอบออกมาจากจิตของตัวเองด้วยความรู้ที่มีถามเองตอบเองถามเองตอบเองอถามเองตอบเอง แต่ตอบตามหลักคําสั่งสอนนะไม่ได้ตอบเอาเองนะตอบเอาคําสอนผู้ย่ามาตอบจิตมีความรู้เหล่าใดเอามาที่มันเคยทรงจํามาไว้มันก็เอามาตอบคําถามที่เป็นความสงสัยเพราะมีบางเรื่องที่เราสงสัยแล้วต้องการคําตอบที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้เราก็ไปดึงเอามาจากความรู้ของผูเจ้าเอามาตอบนะแล้วก็ถามตัวเองนะตอบเอาเองถามตัวเองตอบเอาเองอย่างเงี้ยจึงได้เกิดความรู้มากมายขึ้นนะแสดงว่า <c oughs> กางของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต้องแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนทางสายกลางของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่ น, น, ก, ก, นก็อย่างเช่นเศรษฐีมีงานเป็นร้อยล้านกันละหรือว่าจะจบที่หา้าวกินข้าวทางสายกลางของแต่ละคนจะเหมือนกันเศรษฐีเขาเป็นอยู่ในภพชาติด้วยบุญกุศลที่อํานวย ให้ดีมีพวกข้ัพย์สมบัติอย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเรื่องทรัพย์สมบัติหรือฐานะความเป็นอยู่นั้นเมื่อได้จัดเป็นทางสายกลางเป็นจัดอยู่ในเรื่องของการเสวยผลบุญผลกรรมที่แต่ละคนได้กระทามาคําว่าทางสายกลางในความหมายของพุทธเจ้าคือการมีความเห็นอย่างไรในขณะที่เราเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐียาจกขอทานหรือคนทั่วไปเรามีความเห็นอย่างไรกับชีวิตที่เราเป็นอยู่ หากเรามีความเห็นตามหลักที่อธิบายไปใ น, ใ น, ในอริยสัจสีมีสมาธิจึงจะเป็นทางสายกลางหากเราไม่มีความเห็นตามหลักของอริยสัจสีการใช้ชีวิตยังไงก็ตามก็ต้องตกไปอยู่ในส่วนของความเป็นสุดโต่ง <c oughs> เช่นหากเศรษฐีเราใดยึดในความเป็นเศรษฐีของตนว่าเราเป็นเศรษฐีเพราะเราได้เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีเรามีทรัพย์สมบัติมากเพราะมีมรดกมากไม่ดี ตึกนึกถึงเรื่องบุญกรรมว่าเพราะเราได้ทําบุญมาแต่พางก่อนบุญจึงอํานวยผลมาให้เราได้มีทรัพย์สมบัติมากขนาดนี้ยึดถือในความเป็นเศรษฐีแล้วไม่ปรารบในการที่จะทําบุญไม่ได้มองเห็นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในชีวิตและไม่ได้มองเห็นทุกข์ว่าละชีวิตไปแล้วเราจะไปสู่ภพภูมิอย่างไรเพราะสนใจแต่ชีวิตปัจจุบันเนี่ยอันนี้นั่นคือปัจจุบั น, นที่เป็นอัตตายึดแต่ว่าเรารวยแล้วเรามีทรัพย์สมบัติเราจะทําอะไรก็ได้เสพสุขไปวันๆก็จัดอยู่ในกามสุขัลักลีกานโย คือสุดโต่ขอทานเหล่าใดหากยึดติดในตัวเองว่าเราเป็นขอทานเราไม่มีทรัพย์เราไม่มีสมบัติเราจะต้องขอข้าวเขากินอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะทรัพย์สมบัติไม่มีและไม่ได้คิดว่าที่เราไม่มีทรัพย์สมบัตินี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานแต่ปางก่อนไม่ได้คิดและไม่ได้คิดที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆในปัจจุบันนี้ใหม่ว่าเราจะต้องตั้งจิตให้ทานรักษาศีลสัจเจ ร, ริญสมาธิแล้วก็ จเจริญปัญญาขึ้นก็คือไม่ได้มองเห็นภัยในวะตะัตถะว่าชีวิตต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดที่จะต้องเกิดตายเกิดตายไม่ได้มองว่าความเป็นอยู่ของตัวเองที่อยู่ด้วยความลําบากอย่างเงี้ยก็เป็นภัยอันหนึ่งแล้วไม่ได้มองเห็นความทุกข์ในชีวิตประจําวันแต่ยอมรับตนเองโดยความจํานนตนว่าเราเป็นเกิดอยู่ในตูนยาตัวขอทานตระกูลเราเป็นมาอย่างนี้เราไม่มีทรัพย์สมบัติอย่างนี้เราก็ต้องขอทานเข้าไปอย่างเงี้ยเลี้ยงชีพตลอดชีวิตไม่ได้คิดในเรื่องของบุญกุศลไม่ได้คิดในเรื่องของ การทําคุณงามความดีอันนี้ก็คือเป็นสุดโตเหมือนกันแต่เป็นการสุดโตงโดยการทำตัวเองให้ลาบากเปล่ายอมรับความลําบากเปล่าของตัวเองต้องขอเข้ากินไปวันๆก็เป็นความลําบากเปล่านักบวชผู้บวชเข้ามาแล้วโดยเชื่อว่าการบําเพ็ญตัวเองด้วยการทุกข์ทรมานตัวเองแล้วสิ้นกิเลสจะสิ้นไปไม่ได้คิดว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรและเราจะดับทุกข์ไปได้ยังไงไม่ได้คิดตามหลักของสามา ธ, ธิอย่างนี้ ยึดถือรูปแบบว่าจะต้องทําตัวเองให้ลําบากเท่านั้นด้วยประกรัยต่างๆนานาเดี๋ยวกิเลสก็จะหมดสิ้นไปเองอันนี้ก็เป็นสุดโต๊ในอะไรอัตตะกิรมาฐานุโยโเนี่ยไม่ได้เดินตามสายการการการเดินตามสายกลางนั้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐียาจกขอทานนักบวชก็ตามหากมีทัศนคติทางความเห็นโดยความเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงว่ากายกับจิตคือเป็นตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาสาม เมื่อเราไม่ทําตามมาตรฐานตันหาแล้วตันหามันก็จะดับไปมันก็เป็นความแจมแจ้งภายในจิตของตนเองว่าตันหาหากเราไม่ทําตามมันมันก็จะดับตัวเข้ามันเองมันก็จะไม่เจริญในจิตเราแต่ถ้าเราทําตามมันมากเข้ามากเข้าเราก็จะมันก็จะเจริญขึ้นในจิตเราแล้วเราก็จะเป็นทาตของตันหาเราต้องคอยทําการต่อบสนองตามความอยากอยู่เรื่อยๆไม่มีวันที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยชื่อว่าเป็นธาตแต่ถ้าเราไม่ทําตามมันแล้วเราอยู่เหนือมันเราอยู่เหนือตันหาแล้วตันหาก็จะดับตัวเข้ามัน ก็เราก็เกิดความแจ่มแจ้งขึ้นมาทางปัญญาว่าแม้จะมีทุกข์อยู่ก็ตามเกิดขึ้นเราไม่จําเป็นต้องสนองตันหาเสมอไปแต่เราจะคัดเลือกว่าอะไรมีประโยชน์ควรจเจริญขึ้นอะไรมีโทษก็ควรละการยอมรับทุกข์แล้วก็ละตันหาทำนิโรธให้แจ้งคือทําเห็นอาการดับไปของตันหาเนี่ยบ่อยๆคือไม่ทําตามมันอันนี้คือมรรคนี่คือทางสายกลางจะเป็นเศรษฐีก็ตามขอทานก็ตามนักบวญก็ตามมีทัศนคติอย่างนี้ในชีวิต ก็เป็นทางสายกลางที่ดําเนินถูกต้องตามหล mm ัก hmm, พุทธศาสนาซึ่งไม่ม hmm. ีศาสนาสายไหนสอนทางสายกลางอย่างนี้พอจับทางถูกหรือยังทางสายกลางจับทางถูกนะอย่างนี้นะยมบอกเป็นอย่างนี้นะทางสายกลางพระพุทธเจ้าก็อย่างกรณีการนับถือวัตถุมีคนหรือว่าพระเนี่ยนะ บางคนถ้าใครเอาปลามาให้ตั้งศาลพระปูแล้เราก็ไปตั้งข้อลังเกียเจเขาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าสุดโต่งนะอะไรปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธอย่างเช่นพุทธองค์ปฏิเสธลัทธิต่างๆที่เป็นไปเพื่อควา ม, มงมงายนะการที่พระองค์ทรงประเดปฏิเสธใน ส, ส, สิ่งที่เป็นควา ม, มงมงายจะชื่อว่าเป็นความสุดโต่งไม่ได้ การปฏิเสธสิ่งที่เป็นเราอาจจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นวัตถุแต่เราปฏิเสธสิ่งที่เป็นความงงงายในการยึดถือการปฏิเสธสิ่งที่เป็นความงงงายนั้นเป็นการแสดงออกถึงทางสายกลางอย่างหนึ่งเพราะทางสายกลางนั้นมีความมุ่งหมายอยู่ที่ความเป็นจริงคือสัจจการที่เราปฏิเสธในวัตถุมงคลเครื่องรางของขังมีคนมามอบให้เราไม่ได้ปฏิเสธด้วยความรังเกียจหรือแสดงการต่อต้าน แต่เราต้องการแสดงสัจธรรมในทางพุทธศาสนาให้เขาได้ทราบว่าทางพุทธศาสนาเขาเดําเหมืนกันอย่างนี้เราสามารถพึ่งพาตัวเราเองได้บางคนบอกให้มาเพื่อเป็นเครื่องเสริมกําลังใจเราสามารถสร้างกําลังใจเราด้วยการระลึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นความอุ่นใจภายในตัวเราได้อยู่แล้วถ้าเราเข้าถึงในระดับนี้ได้นั่นคือทางสายกลางที่ที่เราสามารถยึดถืออาการปฏิเสธ ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้ห้ามเรื่องการปฏิเสธในสิ่งที่มันมันมันเป็นไปเพื่อความงมายนะพมก็สอนให้หลีกเว้นให้แยกออกมาอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นการสุดโตง่งอาจจะเป็นการสุดโต่งในมุมมองของทัศนะของโลกทัศนาทัศนาของโลกมองเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นใช้เป็นบรรทัดฐาน ก็ต้องสุดโตง่งแม้แต่ในครั้งพุทธการเขาก็ห า, า, า ว, ว่าพุทธเจ้าสุดโตง่งว่าพุทธองค์สุดโต่งอย่างเงี้ยสุดโต่งในเรื่องของการปฏิเสธชั้นบรรณะก็การถือชั้นบรรณะมันงมงายคนคนชั้นต่ําไปแตะผู้เป็นพราหมณ์เหมือนกับว่าผู้บริสุทธิ์ทําให้พราหมณ์แปดเพื่อนพุทธเจ้าบอกว่าคนเรามันจะแปดเพื่อนหรือชั่วชั่วเพราะการกระทาของตนไม่ใช่ว่า คนชั้นต่ำวัฒ น, น์ชั้นสูงไปแตะพวกพรามหมณ์แล้วจะแปรเปลืป้อนพวง ก, ก็ปฏิเสธควา ม, มงมงายเหล่านี้แตะได้มาแตะเราเลยเราเป็นกษัตริย์ก็แตะได้พวกงก็จึงประกาศล้มล้างระบบวัฒนะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นสัจจรแต่มุมมองาภายโลกเขาบอกว่าพวงลังเกียรติหรือแอมตีต่อต้นานระบบวัฒนะล้มล้ารงระบบวัฒนะซึ่ง ทางที่เขายึดถือวันนะเนี่ยรังเกียจพระพุทธเจ้ามาก <S <S <ๆ>าาก็หาวงสุดโต่งทำลายประเพณีวัฒนธรรมดีงามของชนชาวอินเดียในโบราณที่ฝังลากลึกอยู่ในเวลานั้นและทําลายความรู้สึกของเหล่าพราหมณ์ทั้งทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยแต่พราหมณ์ที่มีปัญญาเขายึดถือสัจจ์เขาก็ทำตามพระพุทธองค์ทีนี้พราหมที่มีปัญญาไม่หลังเพราะนั้นการแสดงออกถึงความเป็นสัจธรรม เราควรกล้าที่จะแสดงออกปฏิเสธความงมงายในสังคมแต่เราไม่ได้ต่อต้านใครอยากจะมีที่ไหนก็มีแต่เราจะปฏิเสธที่จะไม่รับปฏิเสธที่จะไม่มีครอบครองไว้ปฏิเสธที่จะไม่บูชาเพราะพุทธศาสนาไม่ให้เรางมงายกับสิ่งเหล่านั้นเรื่องชั้นวันนานี่ยยิ่งใหญ่กว่าวัตถุมงคลนะวัตถุงคลยิ่งือวเล็กชั้นวนน า, าิงัมาก ทำไมถึงปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธในอินเดียมีไม่ถึงส0ปัจจุบันนี้มีไม่ถึง 10% แต่ถ้าพูดย้อนไปก่อนหน้านู้นเน่ยแทบเอเรียกว่าไม่มีเลยแหละเพราะมันขาดช่วงขาดศูนย์ไปจนได้ขอแม้แต่ในศีรษงก า, ก, าก็เคยขาดหนึ่งด้วยภัยทางสงครามนะสองสายการสืบต่อาศาสนาขาดช่วงไปขาดไปยังไงรู้ไหมาศาสนาพุทธขาดในอินเดียเพราะเหตุอะไรรู้ห เมืองนาลันทาใครที่เคยไปเนี่ยจะรู้ว่าไปศึกษาประวัติศาสตร์นาลันทาให้ดีตอนนั้นเริ่มแตกเป็นนิกายหลายนิกายนะแตกแตกเป็นนิกายและทีนี่ในเมืองลังทานั้นเขากําลังเขาบัญญัติเขาเขาเขาเรียกกำลังเขียนคำพีพระไตรปิฎกใหม่คือคำไพพีพระไตรปิฎกเดิมนะ่ยก็ให้คงไว้แต่คำภีรพระไตรปิฎกใหม่เขียนขึ้นมาเพื่ อ, อเป็นคมภีร์ทางพุทธศาสนารองพระไตรปิฎกคือลองจากพระไตรปิฎก เป็นคำสอนใหม่และในคำสอนนั้นคล้ายๆกับว่าบิดเบือนพระไตรปิฎกอันเก่า<ม>เยอะมากดีแล้วที่เขาเผาทิ้ง<ม>ที่ที่กองทัพพุสลินเตอร์เข้าไปแล้วก็เผาทิ้ง<ม>เผาทั้งพระเผาทั้งคำพี<ม>เอาจริงๆนะไม่อย่างนั้นเราจะได้รับพระไตรปิฎกฉบับใหม่ที่ ไม่ใช่บูลฐานเดิมที่ถูกเขียนขึ้นในเมือง น, นันทาเพราะว่ามหาวิทยาลัยนันทาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในเวลานั้นที่ความรู้หลากหลายแม้แต่พวกยุโรปก็ได้ไปเรียนกันที่นั่นเขามีหลักปรัชญาชนิดที่เรียกว่าโอ้โหพิสดารมากบางทีก็ล้ำลึกจริงๆใ น, ใ น, ในหลักปรัชญาที่นี้มันมีลทัทธิหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเรียกว่าตันตะยาน ไม่ใช่ลทัทธิอ่ะเป็นระวัณนิกายพุทธศาสนาตันตะระยานเนี่ยตันตะระยานนี้เป็นนิกายที่นําไสยศาสตร์เข้ามาทําการปลูกเสกทํารูปเหรียญทํารูปหล่อามรูปปั้นทําอะไรขึ้นมาตันตะระยานแล้วเสกนิยมการเสกคนจึงงมงายอยู่การปลูกเสกชอบให้มีการเสก ศัยศาสตร์จึงแทรกเข้ามาอยู่ในนิการ์ตันตะลยานนี้จากนั้นด้วยความที่เขาเรียกว่านิสัยของคนเดียอินเดียคือนิสัยแขกอะนิสัยแขกที่เป็นพื้นเพในจิตเลยนะเป็นนิสัยคนขี่เหนียวไม่ชอบให้ทานพระพิสุไปบิณาบาตไม่ค่อยจะให้ทานมีแต่ไปขอเขาก็มองพระพิสุเป็นพวกขอทานเนี่ยไม่ยอมให้ทานพระไปบินาบัตแล้วไม่ได้อาหารเนี่ย จะทำให้ศาสนาสืบต่อไปได้ไห ม, ไมและอีกอย่างคนก็ตกอยู่ภายใต้คมมายที่นี่เมื่อไม่เห็นไม่มีใครใส่บาตรปั๊บเนี่ยเขาก็เลยปลูกเศษของขึ้นให้มีอิทิฤิตมีอรุภาพเพื่ออะไรไเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหารของชาวบา้านคือให้คนลักศรัทธาเลื่อมใสในอิทิฤิตปฏิหารในของปลูกเศษจากนั้นคนก็เลื่อมใสในในพวกนี้มากด้วยความที่ภัยทางสงคราม เข้ามาด้วยในยะเดียวกันแล้วก mm hmm. ็เขาก็ล้มล้างนารันทาได mm hmm. ้เมื่อล้มล้างนารันทาได้ mm hmm. นั่นคือแหล่งศึกษาความดูที่ใหญ่ที่สุดนะลม้มลงปุ๊บความเป็นพิษสาระทั้งหมดอยู่ในนั้นหมดเลยนะ mm hmm. ก็สูญสิ้นเลยมันหลายสายเหตุ mm hmm. หนึ่งภายทางสงครามด้วยสองนี่กายแตกกันแล้วก็3การถือผิดในหลักคำสอน4ชาวบ้านไม่ยอมให้ทาน พระไปพินาศไม่มีอาหารไม่ได้อาหารมาจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมล่ะก็อยู่กันไม่ได้ดํารงชีพกันไม่ได้พระก็เลยหารูปแบบในการล่อลวงคนเอ้าจริงจรนะีเพิ่งก็เห็นในภาพทุกวันเนี่ยหาวิธีรูปแบบล่อลวงคนเอาอะไรล่ะล่อลวงอะไรที่ทําให้คนงมงายได้มากที่สุดอ่ะ <beau> รูปของผู้ได้เจ้าคนงมงายมากกันทุกวันนี้ยึดในรูปร่างกายผู้ได้เจ้ามากทั้งนั้นที่พโพลสงบอกว่าร่างตายทหาคนนี้ คืออาตมาไม่ใช่ตถาคตนะหมายถึงว่าทิ่ที่ที่เข้าหาตนอย่างเงี้ยหมายถึงว่าสมมุติว่าพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายตถาคตเนี่ยเป็นร่างกายอันเปลือยเน่าเธอจะมากราบไหว้ร่างกายอันเปลือยเน่าของตถาคตทําไมประโยชน์อะไรที่เธอมากราบไหว้ร่างกายอันเปลือยเน่านี้พุทธเจ้าตัดอย่างนี้นะพองพูดชัดเจนเลยกับพระวัสสกุลประโยชน์อะไรในการมากราบไหว้ร่างกายอันเปือยเน่านี้ เราเราศึกษาคําเนี้ยแล้วเราฟังในคําของพระเจ้าพระองค์ทรงตัดไว้ว่าประโยชน์อะไรามาตามกาวไว้เลยร่างกายเปื่อยเน่าใช่ไหมพระศาสดาไม่ให้ยึดถือร่างกายแต่พวกเราหลงยึดร่างกายของพระองค์กันงมงายกันทั้งประเทศแล้วรูปร่างที่ทําให้คนยึดติดได้มากที่สุดคือรูปของพระเจ้าในหมู่ของชาวพุทธนะหรือชาวอื่นเขาก็เอาไปเป็น เคร่องรดับเทวลูกอะไรชาตชาวศาวสนาอื่นอันคนเขาไม่ชอบเขาก็เอาไปทำลายศาสนาอื่นที่ไม่ชอบเขาก็ไปทำลายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วความงมงายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ศาสนาเราเสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆและเนื้อแท้ของศาสนาเดิมในเมืองไทยตอนนี้กําลังจะหมดเชื่อไหม มันจะมันจะเป็นอินเดียจะใกล้ๆ ก, กับอินเดียแล้วแต่เรากําลังล่วงเรืองในศาสนาพุทธที่อยู่ในรูปแบบของประเพณีช่วงนั้นอะช่วงนารันทากําลังล่ว ง, งเลืองก่อ น, อนที่กองทัพมุสลิมเข้ามานะเขาก็มีพุทธศาสนาในหลักของประเพณีเขาได้แค่ประเพณีไปกราบไหวบูชาสักการะทำบุญแล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่มีการประพฤติทธรรมไม่มีการปฏิบัติธรรม เมือจะมันจย้อนคิดว่าจานมากมที่จะเล่ามาก็เหมือนแบบเราก็ประเทศเราก็มันมีพิพธภัณฑ์นี่ในในลานท่ามีพิพิธภัณฑ์ที่เราไปเห็นใช่ไหมโอ้โหลูปปั้นหลากหลายมากไม่รู้ปางไหนเป็นปางไหนพระอวโลกิเตศวนแต้ไปหมดเลยพระอะไรต่อพระอะไรพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้อออืืหปั้นขึ้นมากันจน จนหลากหลายเลยทําให้นึกถึงย้อนนึกไปสมัยนั้นนะบ้าการล่อลวงคนให้คนเข้ามายึดถือในบูชาลูกของผู้ได้เจ้าเนี่ยมันยังล่อลวงให้คนงมงายได้ขนาดนั้นแล้วทําให้ศาสนาขาดศูนไม่ได้ทําให้ศาสนาสืบต่อนะพโพลทรงตัดไปชัดเจนว่าศาสนาสืบต่อด้วยการปฏิบัติแสดงว่าศาสนาที่ขาดหายไปจากอินเดียนั้นขาดหายเพราะภิกษุในศาสนาไม่ปฏิบัติตามปฏิบัติตามธรรมไม่ประพฤติตามธรรม จึงขาดหายแล้วผู้สศาสนาในเมืองไทยก็กําลังจะเป็นแบบนั้นปุกเสกที่ประจวบกันกับพระอาทิตทรงกดเมื่อนั้นแหละคือวันที่ปูกเสกมันประจวบเหมาะกับวันที่พระอาทิตทรงกดวันนั้นแหละคือวันที่ขลังที่สุดวันนั้นแหละคือวันที่แตกตื่นที่สุดวันนั้นแหละวันที่ทรงลายกันไปแบบแบบขึ้นหน้าเฟซไทป น, นั้นจะโชคดีที่สุด งมงายกันขนาดนั้นว่าชีวิตเราโชคดีเพราะพระอาทิตย์ทรงกฎพระอาทิตย์ทรงกฎเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีมาก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ํามีมาก่อนที่จะปลูกเสกด้วยซ้ําไม่ปลูกเสกมันก็ทรงกดถ้ามันจะทรงกดใช่ไหมหรือว่าต้องปลูกเสกก่อนมันถึงจะทรงกดไม่เข้าใจเหมือนกันหลคนเรามันทุกวันนี้มันอะไรกันแน่ศา ส, สนามองไปเจอแต่ความงม ง, งายไม่ได้เจอแต่ความถูกต้อง มันเลยทำให้รู้ว่าความเป็นจริงของศาสนาเริ่มลบเรือนไปทุกทีอาตมาแสดงออกมาอย่างนี้เพื่อแสดงจุดยืนและหลักที่แท้จริงของศาสนาเพื่อให้คนได้ทราบแต่คนก็บอกว่าสุดตรงาอาจารย์ต้นสุดตรงครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไอ้ต้นคือในในหมู่ของครูบาอาจารย์มไม่ใช่ว่าพูดเพราะโกรธรังเกียจหรืออะไรไม่พอใจกันนะคําว่าไอ้เนี่ยคือมันเป็นคำพูดที่เรียกว่า คุ้นเคยกันนะนะไอ้ต้นมันมันสูดตรงเกินไปเขาว่าเนี่ยท่านต้นนี่เขาเรียกว่าไปแรงเกินไปเขาว่ามันจะแรงที่ไหนพระศาสด า, า, าพารำมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าพาแรงเราก็พาแรงพงศ์ปฏิวัติเรื่องเราในอินเดียเราก็จะปฏิวัติเรื่องเราในพุศาสนาที่มันควรจะเป็นในทางที่ถูกต้อง เขาใครจะทำอะไรอีกยมอมหรอพอนแล้วเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะที่ทำให้ตามาไ ด, ได้อธิบายในจุดตรงนี้เ <c oughs> พราะหาโอกาสที่อธิบายอย่างนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสส่วนมากมี่คําำแก้ตัว <c oughs> คือตัวเองมาแก้ตัวเองในมุมมองที่คนอื่นเขามองคือคนอื่นเขาพูดแต่ไม่พูดให้ตามาได้ยินพูดฝากคนนั้นมาคนนี้มาจนมาเข้าหู เขาบอกว่าพระอาจารย์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้มีคนตั้งคําถามมีโยมหมอมาตั้งคําถามและอาตมาไรทอธิบายเป็นการได้ได้ได้อธิบายความจริงในหลักศาสนาให้ทราบมีคําถามมาจากโยมไดซีว่าสังขารในสมุทัยนั้นหมายถึงทําใดที่เป็นความปรุงแต่งใช่ไหมคะขอพระอาจารย์ขยายความถึงสังขารตัวนี้อะไรบ้างที่จะเป็นสังขารในสมุทยัยมีลักษณะอย่างไร และยกตัวอย่างอ่ า, อาอยางอะไรก็ได้เพื่อให้เห็นสังขารตัวนี้ในกระบวนการของสมุทัยสมุทัยมาจากคาว่ า, าการเกิดขึ้นของความทุกข์สมุทัยนะการเกิดขึ้นของความทุกข์อะไรเป็นตัวก่อให้เกิดขึ้นของความทุกข์ก็คือตัณหาสามใช่ไหมตัณหาสามทีนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอยู่ที่ไหนส ม, มุทัยก็อยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะมีตัวก่อส ม, มุทัยนะ่ะเป็นตัวก่อทุกข์เราถามว่าสมมุติว่าเราหิวข้าวอะไรเป็นตอตัวก่อให้เกิดความหิวอะไรเป็นส ม, มุทัยของความหิวอะไรก่อให้เกิดความหิว กายกลายเป็นตัวหิวกายเป็นตัวเอาเอางี้กลายเป็นตัวแสดงออกถึงตัวทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ใช่ไหมกลายเป็นตัวแสดงของความทุกข์ถูกต้องไหมแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีกายตัญหาัญหาถูกต้องนั่นคือสมุทัยทุกข์อยู่ที่ไหนสมุทัยก็อยู่ที่นั่นถูกต้องไหม อ ย, อย่าสงสัยประเด็นนี้นะคื อ, คอต้องต้องชัดเจนความหิวเป็นสมุทรไทยหรือเป็นทุ ก, ทกเป็นทุกใช่ไหมแต่ความหิวเป็นเหตุให้พวกเราสแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายใช่ไหมแต่ความหิวที่เป็นตัวเหตุเนี่ยจัดว่าเป็นสมุทรไทยไห เป็นตัวทุกข์แต่ไม่ใช่สมุทยัยแต่เป็นเหตุให้เราไปสแสวงหาการเลี้ยงชีพการเลี้ยงดูร่างกายนี้เพราะมันมีความทุกข์ขืนมีความหิวอยู่ทีนี้ขณะที่เราสแสวงหานะ่ะเราดิ้นรนด้วยความอยากใช่ไหมก็นั่นแหละนั่นคือสมุทยัยทีนี้ในนี้ต้องการบอกว่าสังขารในสมุทัยหมายถึงทําใดสังขารในสมุทัยก็หมายถึงการตันหาภาวะตันหา วิภาวตันหาสังขารในสมุทัยนะแล้วถามว่าไอตัวสังขารในสมุทัยเนี่ยไอคือกามตันหาภวตันหาวิภวะตันหาเนี่ยมันเป็นสังขารประเภทไหนเอาสังขารมีกี่ประเภทใหญ่ๆมี2ใช่ไหมปุญญาพิสังขารอะปุญญาพิสังขารใช่หมใหญ่ใหญ่นะแล้วย่อยลงมาคืออะไรกายสังขารวัชีสังขาร มโนสังขารใช่ไหมและย่อยมาอีกมีอะไรสังขารมีอีกไ้ยหมดไม่มีย่อยไปกว่านี้นะถามว่าสังขารในสมุทัยคือตัวความอยากการตัณหาภาวะตัณหาวิญภวะตัณหามันอยู่ในสังขารข้อไหน ปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารกายสังขารวิญญสังขารม โ, โนสังขารหรือสังขารอะไรมันจะส ม, มุทัยจะอยู่ในปุญญาพิสังขารกับอปุญญาพิสังขารคืออยากทั้งในบุญอยากทั้งในสิ่งที่ไม่ใช่บุญเข้าใจไหมทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าบุคคลผู้พ้นจาก อาสวะกิเลสแล้วจึงเป็นบุคคลที่ชื่อว่าปุญยาปาปะพีนะบุคคลบุคคลผู้ละบุญและบาปได้แล้วคือละสังขารเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นสมุทยัยสังขารก็คือตัณหาทั้งสามเนี่ยเป็นจัดเป็นกุศลสังขารก็ได้เพราะอยากในสิ่งที่เป็นบุญก็มีเป็นอกุศลสังขารก็ได้อยากในสิ่งที่ไม่ใช่บุญก็มี สังขารในสมุทัยนั้นหมายถึงทําใดก็คือกุศลสังขารกับอกุศลสังขารนั่นเองเข้าใจไหมมันเป็นความอยากคือการตันหาภระวัตันหาวิบพระวตันหาเป็นเรื่องของการการวงจรของวัดต่ที่จะส่งเป็นไปได้บ้างถามว่าแล้วในขณะปัจจุบันเนี่ยขณะจิตในเวลานี้เรามีความอยากอ ย, กอยู่ใช่ไหมอยากอะไร ไม่เราเราฟังทําโดยไม่ใช้ความอยากได้ไหมได้มันต้องเข้าไปดูจริงๆว่าในในจิตตอนนี้มีอยากไหมลักษณะของความอยากหนึ่งคือเอาอยากทาบุญนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ทําจึงอยากทําเมื่อทําแล้วยังอยากอยู่ไหมเมื่ออยากฟังทำเมื่อยังไม่ฟังต้องต้องอยากแต่เมื่อฟังทำอยู่อยากอยู่ไหมไม่อยาก ใช่มันไม่ได้อยากนั่นหมายถึงว่าความอยากมันจะต้องตั้งไว้ก่อนที่จะเกิดเพราะฉะนั้นการปาราลบในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะการปรารบในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เราปรารบขึ้นแล้วว่าตึกนึกขึ้นมันจะมีความในการตึกนึกที่มีความอยากแทรกนั่นนะ่ะสมุทัยสมุทัยใดก็ตาม เอาถ้าบอกว่าสมุทัยเป็นของกวนล ะ, สะแสดงว่าอยากทําบุญเราต้องละมันไห ม, เ ป, ไไมเป็นสิ่งดีไม่ต้องล ะ, ละ อ, อ่าแล้วทําไมพระองค์บอกว่าปัญยะปาปะกไปฮีนะบุคคลละทั้งบุญทั้งบาป น, นั่นหมายถึงพระโยาบอกว่าให้ละความอยากแต่ไม่ได้ให้หยุดทําบุญ ถูกต้องไหมหมายถึงว่าเราสามารถทําได้โดยไม่ต้องมีความอยากแต่ในเวลาที่เราไม่รู้เกิดความไม่รู้ขึ้นเราต้องอยา ก, ยากใช่หมสมมติว่าอยากไปทำบุญ เ, เตรียมตัวทุกอย่างเตรียมจะไปทำบุญแล้วเกิดความขัดขัดข้องมีอุปสรรคไม่ให้ไปทําบุญสิ่งที่ขัดแย้งต่อความอยากของเราเราเกิดทุกข์ได้ไหมได้ได อยากจะไปแล้วไม่ได้ทําบุญอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปเซ น, นทันอย่างเงี้ยตั้งใจเต็มที่แล้วนัดกันไว้เต็มที่แล้วพอเตรียมจะขึ้นรถมีเหตุไม่ให้ได้ไปขัดเครื่องใจเป็นทุกข์ไห ม, ไมไเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าบอกความอยากใดๆก็ตามที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ความอยากตัวนั้น่ะแต่แน่นอนนะอะไรก็ตามอยากมันต้องเป็นทุกข์แน่นอนแต่ทีนี้พุทธเจ้าบอกว่าให้เราทําบุญโดยไม่ต้องใช้ความอยากทําบุญด้วยอะไร โดยความเห็นที่ถูกต้องเห็นอะไรเห็นทุกข์จึงทำบุญเห็นเหตุให้เกิดทุกข์จึงทำบุญเพราะความอยากเป็นตัวนำพาเราทำให้เราได้รับความทุกข์อยู่เราจะต้องมาทำบุญพอเข้าใจไมนี่เห็นความดับไปของทุกข์จึงทำบุญว่าอ๋อความอยากเนี่ยเราสามารถดับมันได้แล้วก็มาทาบุญ เราไม่ต้องใช้ความอยากเลยเราใช้เหตุปัจจัยหรือว่าใช้หลักสักจจะหลักความจริงสังขารในสมุทัยนั้นก็คือกุศลสังขารกับอกุศลสังขาร น, นั่นเองมันมันสามารถปรุงแต่งกุศลปรุงแต่งใจเราได้อกุศลปรุงแต่งใจเราได้ขยายความถึงสังขารตัวนี้ก็คือความอยากเกิดขึ้นความอยากเพราะนั้นความอยากจริงยมี2อความอยากในด้านทุกขสัจจะกับความอยากในด้านเออไม่ใช่ สังขารจะมีอยู่สองลักษณะสังขารในด้านทุกขสัจจะกับสังขารในด้านสมุทัยสัจจะนะต่างอันต่างอันก็เป็นสัจจะในตัวของมันสัจจะในเรื่องของทุกข์อันหนึ่งกับสัจจะในเรื่องของเหตุที่เกิดทุกข์อันหนึ่งเป็นสัจจะในตัวของมันทีนี้สังขารตัวนี้อะไรบ้างจัดเป็นสังขารในสมุทัยก็คือสังขารในสมุทัยก็คือการตันหาเพราะว่าตันหาพีเพราะว่าตันหา มีการตันหาภวาตันหาวิภาวะตันหาเท carrier, ่านั้นคือไปที่เป็นสังขารในสมุทัยคือเป็นสังขารที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ส่วนท่าสี่ขันห้าอายตระหเป็นสังขารในส่วนของทุกขสัจจ์เป็นสังขารที่เป็นตัวแสดงออกของความทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นที่อาศัยอยู่ของความทุกข์การตันหาภ ว, วาตันหาวิภาวตันหาเป็นสังขารในตัวของสมุทัย ที่เป็นตัวก่อเหตุนะลักษณะของมันคือยอยากอยากอันนี้แล้วไม่พอแล้วอยากอันนั้นอยากอันนั้นไม่พอแล้วอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นคือลักษณะของมันยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างได้ไั้ยเช่นเอาพอตัวอย่างจะเป็นเครื่องอธิบายได้ดีมากมีรถเก่าแล้วเห็นว่าใช้มานานแล้วอยากได้รถใหม่นะอยากได้รถใหม่แล้วการที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อรถใหม่เนี่ยถามว่าเรามุ่งไปที่คันใดคันหนึ่งไหม เห็นคันนั TA ้นก็อยากได้เห um ็นคันนี้ก็อยากได้เห็นคันน้นก็อยากได้เห็นอันนั้นก็อยากได้แต่พอวนดูเงินในกระเป๋ามีไม่พอกับความอยากที่เราต้องอยากได้คือเลยต้องค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมาให้อยู่ในเงียบจุนวนเงินที่เพียงพอในการที่จะต้องซื้อเพราะฉะนั้นในความอยากครั้งแรกจัดเป็นกามตัณหาอยากได้อีกเป็นภาวะตัณหาอยากได้ยิ่งขึ้นไปอีกคือที่ดีกว่านี้อีกเป็นวิภาวะตัณหา บางคนบอกว่าขอให้มีสักล้านเถอะพอแล้วไม่เอาอีกอะไรอีกแลชีวิตนี้พอได้ล้านแล้วปุ๊บเออเอาอีกสักสองล้านน่าจะดีพอได้ถึงสองล้านปุ๊บเออสามล้านนี่น่าจะดีกว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปมีล้านหนึ่งเนี่พอแล้วเนาะไม่เอาอะไรอีกแล้วเนาะถ้าได้ล้านหนึ่งในวันนี้เนาะแต่พอได้ล้านหนึ่งปุ๊บไม่พอเท่าไหรวันแต่ก่อนที่จะได้ล้านนี่เขาบอกว่าขอล้านหนึ่งก็พออะไรประเภทนี้ คือตัณหาเนี่ยพยายามมันจะพยายามสร้างความอยากจะพยายามสร้างให้เราปรุงแต่งสังขารคือสืบต่อสืบต่อความอยากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆปรุงแต่งใจเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อนคือตัวอย่างนะเดี๋ยวตัวยกตัวอย่างม่ฟังว่าเป็นกระบวนการของสบุ่ไทยในความอยากสังขารที่เก่าอยู่ในสบุไทยนั้นหมายเอากว้างกว่าสังขารที่เก่าอยู่ในนามมะขามใช่ไหม ถาสังขารในนามขันนั้นเป็นสังขารที่เกิดจากการคิดตึกนึกสังขารในนามขันเป็นทุกขสัจจ์สังขารในสมุทยัยนะสังขารคือตัวสมุทยัยการตัณหาภาวะตัณหานี้จะเป็นสังขารที่นอนเนื่องในสังขารขันหมายถึงว่าเกิดความคิดใดข้อ ค, คิดหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วปับ๊บความอยากที่เกิดมาแนบ ก, กับความคิดนั้นจะปรุงแต่งให้ความคิดนั้น คิดต่อจากความอยากที่เกิดขึ้นอีกนั่นคือสังขารในตัวสมุทยัยถามว่ากว้างกว่าไหมก็มไม่ได้กว้างมันแอบอิงอาศัยกันอยู่มันแนบอยู่ด้วยกันอยู่นาลาชินตินถามว่าเมตตากรุณาคืออะไรครับเข้าในหลักธรรมของข้อใดบ้างครับเมตตากรุณาเมตตาคือความเป็นมิตรกรุณาคือความปรารถนา ให้คนอื่นพ้นจากความทุกข์เอื้อกูลต่อกันเอื้อเฟือ้อต่อกันคือความการุณาอยู่ในหลักธรรมของข้อใดอยู่ในหลักของอั ป, ปมัญญาหรือพรมอภิญญ ม, มิหรันะมมหรท ำ, ทำในความเป็นอยู่ของพรมเมตตาหรือทำมาเพื่อต้องให้การอธิบายอะไร เมตตาคือความเป็นมิตรกรุณาคือความแผ่มิตรแผ่ความเป็นมิตรเกื้อกูลต่อกันกรุณามีความกรุณาต่อกันเอ็นดูกันถามว่าพุทธภูมิใครทำนายได้เพราะเหตุใดย้อนกลับไปดูอันก่อนๆบ้างก็ได้นะเคยตอบแล้วนะตัวนี้คุค้นๆนะพระพุทธเจ้าเท่านั้นสามารถทานายพุทธภูมิได้ไตสิกขาคืออะไร คื อ, อสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องศึกษา3ปาาระกันคือจะต้องศึกษาอยู่ตลอดก็มีศีลสิกขาศึกษาในเรื่องของศีลสมาธิสิกขาศึกษาในเรื่องของสมาธิปัญญาสิกขาศึกษาในเรื่องของปัญญาสังเกตว่าทําไมผู้เจ้าถึงใช้คําว่าสิกขาคือทําไมถึงใช้คําว่าศึกษาเพราะพวกเราไม่สามารถทําได้เลยเราจึงต้องศึกษาอยู่ตลอดเราจะต้อง ระดับชาวบ้านจะต้องศึกษาเรื่องศีลตลอดชีวิตศึกษาเพื่ออะไรศึกษาเพื่อที่รักษาศึกษาว่าทําไมต้องไม่ฆ่าสัตว์ศึกษาว่าทําไมต้องไม่รักทรัพย์ศึกษาว่าทําไมต้องไม่ประพฤติผิดในกรรมศึกษาว่าทําไมจะต้องไม่โกหกศึกษาดูว่าทําไมจะต้องไม่ดื่มสซลาเมื่อเราไปศึกษาให้ดีแล้วเราจะรู้ว่าสี่ข้าบทแต่ละสี่ข้าวบทนั้นควรที่จะงดเว้นหรือไม่ควรที่จะงดเว้นแต่ทุกวันนี้เราไม่ได้ศึกษาเลย ไปขอศีลกับพระพระให้ศีลและรับศีลมาเข้าใจว่าตนเองมีศีลไม่ได้ศึกษามันสักข้อเลยว่าทําไมต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้เลยไปรับมาเลยอันนั้นคือความงมงายศีลแบบงมงายต้องศึกษาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาดิยาวิเป็นบทสิกขาปะดังสิกขาบทเป็นบทที่จะต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยสมาทานว่าทําไมถึงะจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ หมายถึงว่าศึกษาให้ดีแล้วค่อยงดเว้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องอะไรเลยรู้ว่าเป็นศีลไปขอศีลกับพระรักศีลมาแล้วกูเป็นศีลแล้วกูได้ศีลแล้วไม่ได้ศึกษาเรื่องท่องศีลเลยนั่นก็คือความงงงายหากศึกษาดีแล้วว่าศีลงดเว้นกันอย่างไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รู้พฤติกรรมอย่างไรจะต้องไปขอกับพระไห ม, ไมทําเองเลยได้ไหมไ ด, ได้นั่นคือไม่งงงายแล้วทาเองได้ อันที่จะต้องไปขอกับพระนั้นยังงงงายอยูงงงง่ถามว่าพรห ม, มศีีมีไหมในพุทธศาสนามีไหมสีของผมคืออะไรก็คือเมตานี่แหละคือผมมีหารสีนี่แหละเป็นสีของผมเป็นข้อประพฤติของพรมเป็นเมตตาการุณาวุฒิตาอุเบคาหมดคำถามในเช้าวันนี้ จบกันในช่วงที่สองการตอบคำถามหาหรือใครจะถามอะไรอีกไหมเออลืมไปมีขอขอแก้คำที่เทศผิดในเรื่องของภิกษุณีในครั้งก่อนได้ฟังกันอยู่ใช่ั้ยใครได้ฟังบ้างไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้ติดตามกันเลยนี่ เสร็จแก้เรื่องพิกษุณีที่พูดผิดในครั้งก่อนที่ว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ภิกษุณีสงฆ์บวชอุปสมบทกันการอุปสมบทตอนนั้นอาตามาเข้าใจว่าอุปสมบทในฝ่ายพิกษุณีคือการอุปสมบทโดยยั ต, ติจตุตกรรมาบาจาเป็นสังฆกรรมอันหนึ่งแต่ไปดูในแบบแล้วไม่ใช่ในแบบนั้นกล่าวไวว่าพิกษุณีให้อุปสมบทในส่วนของการ ถามอันตรายยิ่งกระทำคืออันตรายในความเป็นพิสูจน์ในเขาเรียกว่าอันตรายยิกธรรมทำทำที่เป็นอันตรายต่อความเป็นนักบวชของพิกษุณีก็มีหลายข้ออยู่ให้พิกษุณีอุปสมบทในส่วนของการถามอันตรายยิ่งกระทำส่วนในการทำยติจตุทธกรรมนั้นต้องเป็นการกระทําในพิกษุน์สงเท่านั้นหมายถึงว่าพิกษจน์สงจะเป็นพิกษจน์โดยสมบูรณ์แบบจะต้อง บวชในสงฆ์สองฝ่ายคือบวชในฝ่ายของพิกษุนีสงฆ์โดยการ อ, าอุปสมบทในส่วนของอันตรายยิ่งกระทของพิษุนีเสร็จกิจของถามอันตรายยิ่งกระทเรียบร้อยแล้วผ่านการสอบสวนด้วยอันตรายยิ่งกระทแล้วก็พาไปหากลุ่มของพิกษุสงฆ์เพื่อให้พิกสุสงฆ์นั้นประกาศยติจตุตกรรมท่ามกลางสงฆ์ว่าบุคคลนี้เป็นภิษุณีโดยสมบูรณ์ ตอนนั้นเข้าใจว่าพิกษุณีลผสมบทแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็สําเร็จเป็นพิกษุณีแล้วเพียงแค่มาให้สงรับทราบเข้าใจว่าเพียงแค่มาให้สงรับทราบไม่ได้เข้าใจว่าสงจะต้องมาสวดยติจตุตกรรมคือประกาศ4ครั้งให้สงยอมรับว่านี้ผู้นี้ผ่านการยอมรับความเป็นพิกษุณีแล้วอย่างนีน้อันนี้คือแก้ผิดในคำก่อนนั้นพูดว่าสงไม่ได้สวดจตุตกรรม เข้าใจว่าภิกษุณีสงนั้นเป็นผู้สวดจจตุธกรรมเองเข้าใจอย่างนั้นก็ข อ, อแก้ไขแล้วก็ขออภัยที่พูดผิดในครั้งก่อนในในไลฟ์เรื่องของภิกษุณีก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเท่านี้เอวัง